แต่ว่าส่วนรูกปปธรรมเราอยู่ด้วยกันจริงแต่นามาทมนั้นจีด้วยกันอย่างไรก็ไม่ทราบให้รู้เจอใจตัวเองบางทีอาจจะประโยชนที่ใดก็ไม่ทราบม่วแต่พวกคนคิดว่าอยู่ในอาวาตว่าอยู่ในกรอบในเขต <c oughs> ทำวิมมนัยก็ได้เราจึงต้องฝึกตนสอนตนเราเป็นยังไงเราก็ต้องแก้ไขตนด้วยตนตกเตือนตนด้วยตนเองให้ได้วดพัฒนาขึ้น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 วันนี้วนันนี้หนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนเราอยู่ที่นี่ที่ไหนก็อยู่ไปตลอดชีวิตม <c oughs> ันก็เป็นภาพเป็นเลนเป็นเลนที่ถ่ายเอาไว้อย่างตาว่าเมือ่อวานนี้สวดธรรมประปาหัง เราก็คิดถึงเคยได้สวดมาสามสิบกว่าปีมันก็เป็นภาพที่ชัดเจนร่วมกับอาจารย์พุทธทาสอาจารย์ธรรม า, ารสัญญาธรรมศักดิ์ใช่ไหมสัญญาธรรมศักดิ์ท่านไปร่วม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 เครื่องหมายมีคติเป็นที่หมายไม่ขัดสนไม่จนต่อกมที่เราได้ทำกันแต่ละวันละวไปนอกจากส่วนตัวแล้วก็ส่วนรวมเราอยู่เป็นจำนวนมาก <c oughs> ดองละมัดระวงัง มีวินยมีระเบียบการใช้ชีวิตแม่จะเจอกับบาดต้องรักษาให้ดีเราฉันก็ฉันในบาดฉันล้วต้องล้างให้สะอาดแล้วก็ตากเปิดระนิดต่อยให้มันแห้งแล้วก็เจ็บไว้ตากนานก็ไม่ดีแล้วก็ อย่าให้เป็นสาบเป็นข่าวถ้าบาดมาเปิดเื่อนไปเรื่งโศกปกแล้วเราไปเส่อาหารมันก็มีโปนเพื่อนทาให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้และทำไปในการรักษาบาทที่แม่นยำชัดเจนกีวรอก็เหมือนกัน ที่นุ่งหม่มย้ห้มีเกล็นเหม็นชาบเหมอนคราวก็พื้นใดที่ใช้แล้วไม่ใช้อีกก็ต้องซักให้สะอาดจึงค่อยไปเจ็บไว้ถ้าใช้แล้วไปเจ็บไว้วันหนึ่งสองวันก็ก็เป็นกลิ่นไปแล้วเหม็นแล้วซักไม่ค่อยออกแล้วก็เป็นที่หน้ารังเกียดของผู้คน อย่าให้มีเกนบางทีถ้ามันสักมาออกก็ต้องต้มปองต้มเอาใส่ใจเอาใจใส่สักหน่อยไม่เสียงไหมเบาเลยต้องดูแลดีๆยีออนเครื่องนุ่งห่มที่ว่าใส ก็เช่นกัน <c oughs> ให้สะอาดเรียบร้อยมันปัดกวาเช็ดถูก็อหลับข้อนอนเช็ดเท้าเช็ดอาให้สะอาดมีราสีตรวจก่อนนอนเข้าห้อง น, นอนต้องล้างเท้าอย่ามักหมมมักาย บางทีมีเชื้อโรคอยู่กับเม็ดดินเม็ดหินที่เราเดินอยู่ในดินในป่าเขินดินแล้วก็มีเชื้อโรคอากาศก็มีเชื้อโรคต้องใช้ไม้สอยเครื่องดื่มเครื่องดื่มนม้ําเจ้วน้ําต้องล้างทุกวันพยายามอย่าใช้เจ้วาใบเดียวกันช้อนก็อย่าช้อนอันเดียวกันมีช้อนกลางสําหรับฉันตาฉันเป็นภาชนะ ระว่าระวังไม่เหมือนแต่ก่อนทุกวันนี้ก็มีไข้หวัดพัน์ใหม่ต้องพิธีพิถันเจ้าห้องน้ำต้องล้างมือทุกครั้งแปลงคันเวลากินข้าวเสร็จให้สะอาดอย่ามากง่ายตัวเราจะได้กินเราคนอื่นก็เต็มที่แล้ว ต้องพิธีพิถันรูแลรักษาตัวเองให้คุ้มเครื่องใช้ไม้สตนเองอย่าให้หมักหมมในที่กับที่นอนบางที่เราอยู่ในป่างูบางประเภทงูพิษบางประเภทชอบมาอยู่ก็พี่อยู่ของเราไม่อะไรที่กองที่ทับกันไว้มันรู้จกักมันรู้จักอันไหนที่คนไปใช้ ไม่มีการเคลื่อนไหวถึงหกวันเจ็ดวันอาจจะมีสัตว์มีพิษไปอยู่ในนั้นแล้ว <c oughs> ต้องให้สะอาดอยู่เสมอในพื้นห้องกติอย่าให้มีอะไรเกกกยกขึ้นเหนือพื้นได้ก็ดีถูให้สะอาดมีงูพิษมีอะไรมันชอบนอนอยู่ในใกล้ๆคนก็มีเช่น สามเบี่ยมเช่อนอะไรต่างๆนี่เคยมีเหมือนกันโดยเฉพาะเลราดูผลผลตกตลอดคืนวันมันก็หนาวอะไรกินอะไรอุ่นของคนอาจจะเลื่อยมานอนด้วยก็ได้ถ้ามันลุกลงหลังที่นอนหอนมองุงนตื่นขึ้นมาต้องเก็บให้เรียบร้อยอย่าอย่าเลี่ยไร้ไว้ ก็จะมีงูที่เดินไปเดินมาระมัดระวังมีไปฉายล้วมีงูกลางคืนกลางคืนก็มีงูพิษบางประเภทโดยเฉพาะฤดูฝนนี่งูสัตว์มีพิษมักจะเลื้อยคานถ้าทีาฤดูฝนไปแล้วสัตว์เลื้อยพิษไม่ออก หาเย็นไม่ผสมพันธุ์ดูนี้สัตว์ปังเพศผสมพันธุ์กันมันถูมันมีอารมณ์แรงแล้ว ก, ก็เราจะรางหัดการใช้ชีวิตแต่ละวันลุกเกิดตือนก็จะลุกด้ลุกลนมันเบาๆหลับ ก, ก, ก็ทุกหลจะนอนอย่าลุกด้ลุกลน สัตว์มีพิษมนอนอยู่มันตื่นตกใจมันก็โกรธเราถ้าเราก็ค่อยมันก็เป็นลายการใช้ชีวิตเนี่ยบางทีมันก็รู้แต่ก่อนไม่ช่างมีเสือมีงูเยอะแยะนี่คนไม่มากมันแพ้มันชนะเราเราก็แพ้มันไปที่ใดมันครองได้หมดเราก็เลยมีอำนาจมาก เดี๋ยนี่ผู้คนก็มีมากขึ้นก็ถอยไม่สู้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปจะเอกกเหมือนอย่างกระทันหันมันก็ไม่ว่าอะไรบางทีเราเดินไปเดินมามามเห็นเราแต่เราไม่เห็นมนันแต่บางคนเดินไม่งามจายไยก็เหมือนกันอยากแก่งหน้าแจ่งหลัง ขายไปต้องบันจงมันโกรธมันกันนะ่ะสัตวนะ์น่ะมันไม่ชอบแต่กวงก็เดินอยู่ในป่าบางคนเดินสายไปกลางคืนเจ้งก็เห่าสัตว์บางประเภทมันก็ดา่านกก็ดา่าได้กวางก็ดา่าเจ้งก็ดา่าช่างก็ดา่าเสือก็ดา่าถ้าเดินไม่ดี มันก็ไปชอบคมลูกดี้วลูกหลนของคนมันก็ดูนิสัยของคนอยู่สัตว์ในป่ามันไม่ใช่มันไม่ดูมันชอบใครมันก็อยู่ใกล้เราได้ไม่เป็นพิษมันเป็นเพื่อนก็ไปได้ถ้ามาเจอศัตรูกับใครกลิ่นตัวไม่สะอาดจีรามลี้าดไม่เรียบร้อยมันก็โกรธไม่พอใจไม่ชอบเหวือกัน ได้กิ่นแล้วม่สะอาดมาชูคอเสนงูนจงอางงูเหา่าไม่ชอบกลิ่นที่โสโครกก็กินสะอาดเหมือนพวกเราไม่คีพระสงฆ์ผู้ที่มีธรรมวินัยดีงูจงอางก็ไม่ค่อยจะชูคอชาวบ้านไม่กินบุหรี่กินเหล้ากินผ้า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 สร้างก็เฉยงูก็เฉยเคยไปเจ้าเอ๋กับผงเลียงสมัยหนึ่งให้เล่าสักหน่อยม <c oughs> อะอออยู่า้ำใหญ่กลางดงชมพรเดินทุดดง่งนัดกันจากสวนโมกว่าใจไปพบกันที่กลางดงชมพรในถ้ำใหญ่ มีเพื่อนกันเคยไปอยู่นัดกันไปแต่ก่อนนั่นถ้ำ ท, ที่ใดภูเขาที่ไหนมันชอบเดินนัดกันไปพบกันในวันนั้นแล้วก็เดินไปตามแผนที่มีบ้านตอนหลังหนึ่งอยู่กลางลงบ้านตอนคือบ้านไครคือบ้านกรมทางอยู่หลังเดียวมี คอบัวเดียวกางงกลางป่า่อเดินไปถามว่ามีพระเข้าไปนี่หรือเปล่าตอนบอกว่าไม่มีก็เป็นเวลาพบค่ำแล้วตอนก็รับรองว่าไม่มีแน่นอนไม่หนีไปไหนวันนี้ถ้าพระมาจะเข้าไปดงก็ต้องผ่านทางนี้ มีทางอื่นก็ไกลแต่ทางนี้เดินไปเกจกมอก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะอาจจะไปทางอื่นหรือเปล่ากลัวจะผิดลาดแล้วก็ตอนก็ห้ามเราเราก็กลัวจะผิดลาดกับเพื่อนเลยตัดสินใจไปเดินอาดวงวงไปไปมันก็มืดไปถึงถ้ำ ว่าจะเข้าไปในถ้าผงเลีงกระมูด ต, ตัวใหญ่อยู่ในถ้ำเต็มไปหมดแล้วมันั้นเราเดินเข้าไปมันก็โกรธเราตีหน้ากระดานออกมายิงเขีย้ยวยิงฟันขู่เราเราก็เห็นผงเลียงมีตัวใหญ่เท่าตัวเราเนี่ยแล้วก็ถอยหลังออกมาก็ไม่ได้กลัวะละเราก็นึกว่า เขาก็บริสุทธิ์ใจเขาคงไม่ทําร้ายเราเราก็ไม่ได้แม้ เ, เขาจะทําร้ายเราก็ไม่สู้กับเขาเราจะยอมตายอย่างสง่างามแล้วก็ถอยลงออกมาแล้วก็เดินตามกระดานออกมาแล้วเรามองหน้ามันทเดี๋ยมันก็ยื้ เ, เขี้ยวใส่โลง่งขูเราเราก็ไม่มองหน้ามาันแล้วก็เฉยๆถอยลงออกมามาใดก้อนเห็นหน้าหน้าธรรม บ่เลยนั่งลงตรงนั่นเลยกล็โอกกดออกมามากลางมุ่งนอนที่นั่นเลยจะไปไหนบุญวายเขากลัวว่าเขาจะโกรธเราเราก็ขอได้พูดในใจคิดในใจว่าขอโทษอะเราไม่รู้อ่ะพวกเธอทั้งหลายอยู่นี้อย่าถือว่ามารบกวนในที่นี้ก็มีพระพุทธลูก ลิมก็ไปงอยอยู่บนหัวพืชรูกมเต็มไปหมดเลยแล้วก็คิดในใจขอโทษเขาออกมาแล้วก็นอนเพราะมันคับเกินแล้วนอนก็หลับไปเลยพอตื่นขึ้นมาประมาณตีหนึ่งได้กลิ่นกลิ่นก็เป็นกลิ่นเสือทึ่เมื่อเคยรู้จักว่ากลิ่นเสือไม่เคยได้กินเลยแต่พอได้กลิ่นรู้ว่าเป็นเสือทันที ก็เลยก็เลยลุกขึ้นนั่งมองออกไปนอกมุ้งไม่ไกลเท่าไรเห็นนั่งขมุมอยู่บอ้คิว่านี่อหลรเสือมันนั่งอยู่นี่แล้วก็มุ้งของเราก็เป็นมุ้งสีขาวสดมันกลัวกลางคืนแตามุ้งสีเกลสีอะไรอาจจะไม่กวัว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 วานเป็นเกี่ยวจุ่มน้ำมันไว้แค่ข้อมือเนี่ยก็จุดไฟกระยนลงหน้าตามก็หนีไปมันกลัวไฟแ้วไปฉายมันไม่กลัวใช่ไม่ได้ก็จุดเตียนเราต้งไว้บนหัวก็อมองว่ามันก็ลุกไปเลยเสือตัวนั้นลุกปุ๊บปั๊บ๊บไปเลยแล้วก็ดูสังเกตการมันหนีไปแล้วก็ ก็เลยนั่งนงนอนนอ น, น, อนเล่นอยู่นั่นพอตื่นเช้าขึ้นมาก็ไปดูรอยมันไม่รอยเสือจริงเหม็นขาวเหม็นสาบนี่ก็ถ้าเราไม่ผลผันไม่กลัว <c oughs> อะไรคิดว่าเขาไม่ทำลายเรามันก็อาจจะเป็นหลักที่ดี ระหว่างอันตรายกับชีวิตเราได้เหมือนกันบางข้ามบางข่าวก็ตึกพอก็อรั่วตึกเสือมังกัดคนไนเวลาเวลาใกล้จะสว่างแสงทองแสงเงินขึ้นเราก็เลยไม่ออกจากมุ้งหลยหนอนนั่งอยู่ในมุ้งนั้น จนแสงแดดส่องมาแล้วก็ลุกเริมุ่งครับมุ่งครับอะไรใส่บาทเดินออกมาหาบ้านตอนบ้านตอนก็บอกว่าโอ้ยผมนอนไม่หลับทั้งคืนเลยเป็นห่วงท่านมีปัญหาอะไรไมเพราว่ามีนิดหน่อยอ่าผมเป็นห่วงท่านมากเพราะมีศัตรตูมีเสือมีอะไรเยอะๆในตรงนี้ ล้วก็ทำอาหารเช้าเวาแล้เราก็เดินทางต่อก็ขอร้องขึ้นรถเจ้บอกว่ามันไม่ขึ้นก็ได้จะเดินเอาอตั้งอธิษฐานว่าเดินเท่าไม่นั่งรถนั่งเรือนี่บางทีอ่ะ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 เราก็รู้สัตว์มีพิษเราก็มองตามาก็รู้คนมีพิษก็มองตาก็รู้จ้ะงูมีพิษเนี่ยด้จระไมมองตามันตางูตัวไดตาลีลีตาลี ล, <c oughs> ล, ลีเหมือนอะไรเนี่ยตาลีนะอันเนี้ยอันนั้งงูมีพิษคิ้วโปโปตาลีลตางูตัวใดตาโบ๋โบยัง่ย ไ, ไม่มีษไม่พิษเลย มันก็บอกลักษาของมันนะใช่ไหมตาตาโบ้โอยเนี่ยไม่มีพิษดอกตาตาเรียงเนี้ยระวังให้ดีนั่นก็ให้เป็นมิตรกับเขาบางโอกาสแต่คนร้ายคนไม่ดีเราไปแสดงเป็นบัณฑิตมันก็อันตรายต่อเราแล้วคนเขาเป็นคนดีแล้วไปแจ้งเป็นคนพาลก็แปลนตาต่อเรา ต้องปรับตัวบ้างบางโอกาสใหแต่พกโภค พ, ก, พกขนพบสัดไล่นี่พิจิตรใัรก็ต้องปรับเนื้อปรับตัวหลังท่าหวางทางอย่าเป็นจะตัวกับเขาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ชีวิตบางทีมันก็เป็นศินละปะไปในตัวกับการปฏิบัติธรรมรักษา การะเทศะตามเหตุตามปัจจัยเวลานี้ก็ไขวัดสายพันธุ์ใหม่มันก็มีเชื้อโรคอยู่การใช้ชีวิตร่วมกันถ้าเรามารักษามีระเบียบมีวินยัยดีมันก็ไปที่บักหมอมของเชื้อโรคได้ในวัดว่ า, ารามนี้ต้องดูแลตัวเองให้ดีสุขภาพแข็งแรง อ, อ่อนแอ กินอาหารให่อิ่เพียงพอกําลังกายพอประมาณอย่าหมเกินไปเดินจงกรมสร้างจังหวะอย่านอนหลับสลับสไลก์กลางวันเกินไปหากผ่อนบ้างถําเหนื่อยมากถ้าไม่เหนื่อยก็ไม่เป็นไรถ้าหลับกลางวันก็างคืนจะไม่ค่อยหลับมันไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ถ้าหลับก็หลับแต่หัวค่ำบ้างก็ดี นอนหลับเดเกินไปนับก่อนสามทุ่มดีที่สุดถ้าเวลาหลังเที่ยงคืนแล้วไม่ค่อยมีประโยชน์การพักผลล่อนเรานอนตานฉันก็ต้องเป็นเวล่อเริ่มเวลาจฉันปรลำปลาอับกะพาะให้จากเวลาย่อยเวลาพักผ่อน ลำปลาอะไรก็ฉันฉันไปมันก็ไม่ค่อยมีระเบียบการขับถ่ายก็เช่นกันถ้ายำหัดถ่ายมีเว ล, เวลาถ้าไม่หัดก็ไม่ไม่เป็นนะการกินหมดเนี่ยมันมาย่อยกระเพาะมาย่อยกินไม่ลงเวลาถ่ายก็ไม่หัดก็ถ่ายไม่ถูกต้องเวลาบางที่เดินทางไปไหนมาไหนต้องระมัดระวังการอยู่การกิน ไม่ใช่ไม่ระวังบางทีการเดินทางไม่ค่อยสะดวกในการขับถ่ายก็ต้องอดบางอดทนบางข่าวที่อดทนจะทำให้ปรับเรืร่องปปับตัวได้ดีตั้งกายทากสิ่งเวบล้อมการเวลาก็เหมือนกันในชีวิตจิตใจเราก็เหมือนกันด้วยการปรับ มันหลงรู้มันอ่อนแอเข้มแข็งในเข้มแข็งในความอ่อนแอให้เป็นในความเดวดร้อนจิตใจเล่าร้อนเย็นให้มันเป็นบราณว่าให้มีความเย็นได้ในเตาหลอมเหล็กดีที่สุด ถ้าเ ย, ย็นในห้องแอร์มันก็มาค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเย็นในความร้อนมันจะดีเช่นแสงความทุกข์ความสุขก็เหมือนกันจะมีวิธีปฏิบัติไปนะเห็นมันสุขเห็นมันทุกข์ไม่ใช่เป็นผู้สุขไม่ใช่เป็นผู้ทุกข์แม้มันจะมีโกรธมีกิเลสตัณหาก็เห็นอย่าเป็นผู้มีกิเลสตัณหา วันหลงตรงไหนรู้ตรงนั้นจนลื้อถอนได้เป็นจั ก, กรยทิฐิถอนความหลงออกจากทิฐิวความหลงมันมีทิฐิสำคัญมั่นหมายจั ก, กรยทิธิเห็นผิดทำให้เห็นถูกอยู่โดยชอบให้มากจัดการกรับตัวเองให้ดี ให้ยุเยเตืองให้ดีเรียกว่าทำไว้ในช่วยเตืองบ้างช่วยคนอื่นบ้างใจก ล, งกลุ้งกลุงหวงขว ง, งอย่าคับแคบเราไมไ่ทำอะไรก็คิดจะช่วยคนอื่นคนป่วยในจิตอื่นของเพื่อนโดยทำได้ก็ขนขววยเอาไว้จะได้มีน้ำใจ เป็นอัปปมัญญาไม่มีขอบเขตในความรักในความปาเถืนดีไม่มีขอบเขตตั้งใหญ่ไพศาลเป็นมหากุรณาธิคุณมือนพระพุทธเจ้าเราอยากรูปพระพุทธเจ้าก็เอาคุณของพระพุทธเจ้ามาไว้ในเราคนของพระพุทธเจ้านั้นก็อย่าง ที่เราอยู่ใกล้ๆเราคือเมตตาที่คุณเป็นการนำทางคิดจิงใดผู้จริงใดทำาริงใดประกอบด้วยเมตตานี่ลักษณะของพุทธเจ้าคนต่อไปกบรุณาที่คุณไม่ใช่คิดเฉยๆพอจะช่วยก็ช่วยบุนบายแต่รุณาที่คุณช่วยเหลือ ตามกำลังของเราเห็นเมตตาเห็นคนตกน้ำน่าสงสารหนอน่าสงสารเนาะแล้วก็ไม่ประโยชน์กาะลนาคือช่วยลงไปยื่นท่อนไม้ทิ้งเชือกทิ้งไม้ลงไปให้เขาจับดึงเขาขึ้นมาถ้าเราไม่มีแรงที่จะไปช่วยเขาด้วหาวิธีอื่นแต่เกาะลนาเข้าไปช่วยเหลือ โดยความพิดโดยขันเป็นเพื่อนถ้าไปเป็นเพื่อนได้บอกการุณาที่คนทําเรื่องหนักให้เป็นเรื่องเบาทำเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายในตัวเราก็าเห็นกันในคนหนึ่งก็เห็นกันอันที่สามเลยบริสุทธิ์ที่คนทาเช่นใดลงไปด้วยความบริสุทธิ์ใจหวังค่าตอบเพียนได้ได ไม่เรียกร้องค่าตอบแทนด้วยความบริสุทธิ์ที่สุด ข, ข้อที่สี่ก็ปัญญาที่คกมีปัญญารอบรู้กับกาละเทศาแล้วเรามีคนสี่อย่างนี้มันก็ใกล้คิดกับพุทธเจ้าด้วเป็นยาติกันเลยน้อมเอาไว้ในเราเนี่ยมันก็ไม่เหลือวิสัยที่เราทุกคนทำได้ ได้ไหมจำได้ไหมแี่น้อยสี่อย่างอะไรบ้างนะะเมตตาที่คุณอยู่ในหัวใจคู่เจียนใดทำเจีนใดคิดเจีนใดประกอบด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและหลังในเพื่อนทุกสิ่งทุกอย่างก็นาที่คุณช่วยเหลือตามความสามารถ อริสุทธิ์ที่คนทำลงไปอะไรทุกความอริสุทธิ์ใจไม่หวังค่าตอบแทนคิดเอาให้มากเสียน้อยกบมิตรเพื่อประโยชน์อันนั้นก็เปนใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมะ่ะปัญญาที่คนรอบรู้เพื่อขยายความรายเป็นความดีอยู่เลย เรามันหลงให้มันรู้เวลามันทุกข์ให้มันรู้ปัญญาที่คนสามสี่อย่างนี้อยู่โดยชอบไม่ใช่อยู่ปราสโกโตนะอยู่โดยชอบอยู่ในการปฏิบัติตัวลงไปพิสูจนตั้งหลายเมื่อหกเธออยู่โดยชอบโลกจะไม่ว่างจากประรงหันพระเจ้าตัดจังเนี้ยคืออยู่โดยชอบแล้วนะ้ตามใจําไว้ในใจะ เราเป็นคนเท่าคนแก่ก็นอนทําว่าในใจไม่เป็นไรมม่ใช่ขยันกันแขงนะตัวนี้อาจจะไม่ได้มาทำวัดนะจะเตรียมตัวเดินทางไปค้นเจนแต่เช้าก็มีอาชีพเรื่องนี้ <laughs> ยังมีร้อนวิชาในกรรมฐานอยู่ อยากจะบอกจะสอนคนว่าถ้าดีอย่างไปชวนหลวงพ่อคมไปนอนด้วยกันจะได้ไม่เ ก, กะกะตอนเย็นก็กลับไม่ได้จังหวัดไม่ได้นอนข้างเกินที่ใดคงจะไปได้ไม่มากอันนี้ก็ไปแเล่าสี่คนไปได้อีกแค่สองคน ถ้าใครอยากไปไปได้แช่อสองคนก็มีแล้วสี่คนแล้วในหลวพ ก, กรมมีคนขับรถมีคนหมูไปด้วยไปไปด้อีกสองรถคันนี้นั่งได้สบายหน่อยก็หกคนไม่ตอนนีไม่ห้ามถ้าใครไปก็ไป ไม่เรียกให้คนนั่นไปคนนี้ไม่ไปไม่ต้องเสมอภาพกันหมดทุกคนเหมือนกันหมดในความประสาดีต่อกันไม่ใช่เลือกที่รักมักที่ชังได้ยินไหมอ่าสมควรเจอล่าในญาติของเรา